50 languages. Eleven. f e b r a d e e m a h n g a l มกราคม January. Gumpa Pan. February. มีนาคม March เมษายน April พฤษภาคม May มิถุนายน June มีอยู่หกเดือนยีว่วยอาดงล ม ก, กราคมกุมภาพันธ์มีนาคมจนเวรีฟ <February>, ีบอรวรีมอ์เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนเมษายเมิถุนากรกฎาคมจูลย์ สิงหาคม August กันยายน September ตุลาคม October พฤศจิกายน November ธันวาคม December และยังมีอีกหกเดือนด้วยอีวายมุมออร์โมดังกลกระกระดาคมสิงหาคมกันยายนจูลายออเกสต์สตุเปมเบอร์ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม ออกตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม